ป จ, จุบันนาณาคตาวาระว่าด้วยทำที่เป็นปัจจุบันและที่เป็นอนาคตอนุโลมบุคคลห้าสบเกอนุกายะสังขารของบุคคลใดกำลังเกิดวัตถีสังขารของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิใช่ปฏิวัตถีสังขารของบุคคลใดจะเกิดกายะสังขารของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิในพังคะขณะแห่งจิตของบุคคลทั้งหมด ในอุ ป, อปะทะาทคณะแห่งจิตซึ่งเว้นจากลมอชาสะปัจชาสะบุคคลผู้เข้านิโรธสมาบัติและบุคคลผู้อุปัติอยู่ในอสัญญาสัตพุลมวัตถีสังขารของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดแต่กายสังขารไม่ใช่กำลังเกิดในอุปะทะาทคณะแห่งลมอัชาสะปัจชาสะวัถีสังขารของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดและกายสังขารก็กำลังเกิดอนุกายสังขารของบุคคลใดกำลังเกิด จิตตสังขารของบุคคล น, นั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิใช่ปฏิจิตตสังขารของบุค ค, คลใดจะเกิดกายตสังขารของบุคคล น, นั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิในพังฆะขณะแห่งจิตของบุคคลทั้งหมดในอุปาทคณะแห่งจิตซึ่งเว้นจากลมอสซาสะปัสสาสะบุคคลผู้เข้านิโรธาสมาบัติและบุคคลผู้อุิอยูในอสัญญสัตตภูมิจิตตสังขารของบุคคลเหล่านั้นจะเกิด แต่กายสังขารไม่ใช่กำลังเกิดในอุปาทัณะแห่งลมอซาสะปอสาสะจิตสังขารของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดและกายสังขารก็กำลังเกิด 60. อนุว่าจีสังขารของบุคคลใดกำลังเกิดจิตสังขารของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิในอุปาทัณะแห่งปัจฉิมจิตที่มีทั้งวิตกและวิจารว่จีสังขารของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิด จิตตสังขารไม่ใช่จกเกิดในอุปาทขณะแห่งวิตกและวิจารณ์ของบุคคลนอกนี้วจีสังขารของบุคคลเหล่านั้นกําลังเกิดและจิตตสังขงารก็จะเกิดปฏิจิตตสังขารของบุคคลใดจกเกิดวจีสังขารของบุคคลนั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิในพังค์คณะแห่งจิตของบุคคลทั้งหมดในอุปาทคณะแห่งจิตซึ่งเว้นจากวิตกและวิจารณ์บุคคลผู้เข้านโรธสมาบัติ และบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสสนิสตาภูมิจิตสังขารของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดแต่ว่าจีสังขารไม่ใช่กำลังเกิดในอุปาทขณะแห่งวิตตกและวิจารณ์จิตสังขารของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดแล้วว่าจีสังขารก็กำลังเกิดอนุโลมะโอกาตหสิบอ็ดอนุกายะสังขารในภูมิใดกำลังเกิดอนุโลมะปุขะโลกาตหกสิบสอง อ น, นุกายสังขารของบุคคลใดในภูมิใดกําลังเกิดวจีสังขารของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิในอุปาทัคณะแห่งลมอซาสะปัสสะของบุคคลผู้เข้าทุติยฌานและตะติยฌานกายสังขารของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังเกิดแต่วจีสังขารไม่ใช่จะเกิดในอุปาทัคณะแหงองอ่งลมอซาสะปัสสะของบุคคลผู้เข้าปฐมฌาน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 ในอุปาทขณะแห่งจิตของบุคคลเหล่านั้นนั่นแหละซึ่งเว้นจากลมอสซ า, า, าสะปัสสาสะบุคคลผู้อุบัติอยู่ในรูปราวจรภูมิและอรูปราวจรภูมิวจีสังขารของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดแต่กายาสังขารไม่ใช่กำลังเกิดในอุปาทขณะแห่งลมอสซ า, า, าสะปัสสาสะของบุคคลผู้เข้าปฐมฌานและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในกามาวจรภูมิวจีสังขารของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิด และกายยสังขารก็กำลังเกิดอนุกายยสังขารของบุคคลใดในภูมิใดกำลังเกิดจิตสังขารของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิใช่ปฏิจิตสังขารของบุคคลใดในภูมิใดจะเกิดกายยสังขารของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิในพังคขคณะแห่งจิตของบุคคลทั้งหมดในอุปาทขณะแห่งจิตซึ่งเว้นจากลมอจซาสะปจซาสะ จิตตสังขารของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดแต่กายตสังขารไม่ใช่กำลังเกิดในอุปอาทัคณะแห่งลมอาซาสะปัสสาสะจิตตสังขารของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดและกายตสังขารก็กำลังเกิด 63. อนุว่าจีสังขารของบุคคลใดในภูมิใดายกำลังเกิดจิตตสังขารของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิในอุปาทขณะแห่งปัจฉิมจิต ที่มีทั้งวิตกและวิจารณ์วจีสังขารของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังเกิดแต่จิตตสังขารไม่ใช <st> uh ่จกเกิดในอุปาทขณะแห่งวิตกและวิจารณของบุคคลนอกนี้วจีสังขารของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังเกิดและจิตตสังขารก็จะเกิดปาติจิตตสังขารของบุคคลใดในภูมิใดจกเกิดวจีสังขารของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิ ในพ e first, mitad, to to ังคขณะแห่งจิตของบุคคลทั้งหมดในอุปาทขณะแห่งจิตซึ่งเว้นจากวิตกและวิจารณจิตสังขารของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดแต่ว่าจีสังขารไม่ใช่กำลังเกิดในอุปาทขณะแห่งวิตกและวิจารณ์จิตสังขารของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดและว่จีสังขารก็กำลังเกิดปัจเจเนกาบุคคลหกสิบสอนุ กายะสังขารของบุคคลใดไม่ใช่กำลังเกิดวจีสังขารของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักเกิดใช่ไหมวิในพังคะขณะแห่งจิตของบุคคลทั้งหมดในอุปาทคณะแห่งจิตซึ่งเว้นจากลมอาา ส, สาสะปัสซาสะบุคคลผู้เข้านิโรธสมาบัติและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญัตตภูมิกายยะสังขารของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่วจีสังขารไม่ใช่จักไม่เกิดบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยปัจจิมจิต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 จิตตสังขารของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักเกิดใช่ไหมวิในพังคขคณะแห่งจิตของบุคคลทั้งหมดในอุปาทคณะแห่งจิตซึ่งเว้นจากลงอาจซาสปัสซาสบุคคลผู้เข้านิโรธสมาบัติและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอ ส, สัญญาสัตตภูมิกายสังขารของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่จิตตสังขารไม่ใช่จักไม่เกิดบุคคลผู้พร้อมเพลยงด้วยปัจฉิมจิตกายสังขารของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิด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 ในอุปาทัคคณะแห่งจิตซึ่งเว้นจากลมอสซาสะปัสสาสะบุคคลผู้เข้านิโรธสมาบัติและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอาศัยในสัตตภูมิวจีสังขารของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่จิตจสังขารไม่ใช่จากไม่เกิดในพังคขณะแห่งปัจฉิมจิตที่มีทั้งวิตกและวิจารณบุคคลผู้พร้อมเพลยงด้วยปัจฉิมจิตที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณวจีสังขารของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิด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 บุคคลผู้พร้อมเพียงด้วยปธธัจิมจิตที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณ์จิตตสังขารของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จะกเกิดและวิจีสังขารก็ไม่ใช่กำลังเกิดปัจเจเนกะโอกาส66อนุกายยสังขารในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิดปัจเจเนกาปุขโอกาส67อนุกายยสังขารของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิด ไวจิสังขารของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จากเกิดใช่ไหมวิในพังค์ขณะแห่งลมอสซาสะปัสสาสะของบุคคลผู้เข้าปฐมฌานและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในกลามอาวจรภูมิในอุปาทคขณะแห่งจิตของบุคคลเหล่านั้นนั่นแหละซึ่งเว้นจากลมอสซาสะปัสสาสะบุคคลผู้อุบัติอยู่ในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิกา ย, ยสังขารของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิด แต่ว่าจีสังขานไม่ใช่จักไม่เกิดบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยปัจฉิมจิตปัจฉิมจิตที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณ์จะเกิดในลำดับแห่งจิตใดในลำดับแห่งจิตนั้นในพังคขณะแห่งลมอสซาสะปัสสะสะของบุคคลผู้เข้าทุทาติยชาญและตติยชาญในอุปาทัขณะแห่งจิตของบุคคลเหล่านั้นนั่นแหละซึ่งเว้นจากลมอสซาสะปัสสะสะ บุคคลผู้เข้าจตุติฌานและบุคคลผู้อุบัทวอยู่ในอสนรรฐฐัญญสัตตภูมิกายะ ส, สังขารของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดและวจีสังขารก็มไม่ใช่จักเกิดปาิวจีสังขารของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จักเกิดกายะสังขารของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดสส ใ, ใช่ไหมวิในอุป า, ขาทขณะแห่งลมอาซาสะปัสสาส ะ, สาสะของบุคคลผู้เข้าทุติยฌานและตติยฌาน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 บุคคลผู้เข้าใจทุตติานและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอาศันยสัตตภูมิวจีสังขารของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดและกายสัง ข, ขารก็ไม่ใช่กำลังเกิดอนุกายสังขารของบุคคลใดในภนูมิใดไม่ใช่กำลังเกิดจิตสังขารของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จกเกิดใช่ไหมวิในพัง ข, ข้าพหะแห่งจิตของบุคคลทั้งหมดในอุปาทคณะแห่งจิตซึ่งเว้นจากลมอสซ า, า, าสะปัสสาสะ กายสังขารของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่จิตตสังขารไม่ใช่จักไม่เกิดบุคคลผู้พร้อมเปลียงด้วยปัจฉิมจิตและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญสัตตภูมิกายสังขารของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดและจิตสังขารก็ไม่ใช่จักเกิดปาฏิจิตสังขารของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จักเกิดกายสังขารของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิใช่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 บุคคลผู้พร้อมเพลียงด้วยปัจฉิมจิตที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณ์และบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสนัญญสัตต ภ, ภ, ภ, ภูมิวจีสังขารของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดและจิตตสังขารก็ไม่ใช่จักเกิดปาิจิตตสังขารของบุคคลใดในภูมิดไม่ใช่จักเกิดวจีสังขารของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิในอุปาทัคณะแห่งปฏจิมจิตที่มีทั้งวิตกและวิจารณ์ จิตสังขารของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดแต่ว่าจิตสังขารไม่ใช่ไม่กำลังเกิดในพังค์ขณะแห่งปัจฉิมจิตที่มีทั้งวิตตกและวิจารณ์บุคคลผู้พร้อมพรือด้วยปัจฉิมจิตที่ไม่มีทั้งวิตตกและวิจารณ์และบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญาสัตวภูมิจิตสังขารของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดแล้วว่จิสังขารก็ไม่ใช่กำลังเกิด 6. อติตานาคตะวาระว่าด้วยสภาวธรรมที่เป็นอดีตและที่เป็นอนาคตอนุโลมบุคคล 69. อนุกายสังขารของบุคคลใดเคยเกิดวจีสังขารของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้พร้อมเพลิงด้วยปัจฉิมจิตปัจฉิมจิตที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณ์จะเกิดในลำดับแห่งจิตใดในลำดับแห่งจิตนั้น กายสังขารของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดแต่วจีสังขารไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้กายสังขารของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดและวจีสังขารก็จะเกิดปฏิวจีสังขารของบุคคลใดจกเกิดกายสังขารของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิใช่อนุกายสังขารของบุคคลใดเคยเกิดจีตสังขารของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิ บุคคลผู้พร้อมเปลี่ยนด้วยปัาชิมะจิตกายสังขารของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดแต่จิตจสังขารไม่ใช่จักเกิดบุคคลนอกนี้กายสังขารของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดและจิตจสังขารก็จักเกิดปฏิจิตตสังขารของบุคคลใดจักเกิดวิใช่เจดสิอนุว่าจีสังขารของบุคคลใดเคยเกิดจิตตะสังขารของบุคคลนั้นก็จักเกิดใช่ไหมวิ บุคคลผู้พร้อมเพียงด้วยปัจฉิมจิตวจีสังขารของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดแต่จิตตสังขารไม่ใช่จากเกิดบุคคลนอกนี้วจีสังขารของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดและจิตตสัง ข, ข า, ากกรก็จากเกิดปติจิตต ส, สังขารของบุคคลใดจากเกิดวิใช่อนุโลมโอกาต71อนุกายะสังขารในภูมิใดเคยเกิดอนุโลมปุขคโลกาส เจ็ดอนุกายยสังขารของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดวจีสังขารของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้พร้อมเตรียงด้วยปัจฉิมจิตในกลมามวจารภูมิบุคคลผู้เข้าทุติยชาญและตติยชาญกายยสังขารของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดแต่วจีสังขารไม่ใช่จะเกิดบุคคลผู้เข้าปฐมชาญและบุคคลนอกนี้ผู้อุบัติอยู่ในกางมวจรภูมิ กายสังขารของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดและวจีสังขารก็จะเกิดปฏิวจีสังขารของบุคคลใดในภูมิใดจกเกิดกายสังขารของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้อุบัติอยู่ในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิวจีสังขารของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดแต่กายสังขารไม่เคยเกิดบุคคลผู้เข้าวปฐมฌาน และบุคคลผู้อุบัปอยู่ในกามาวจรภูมิวจีสังขารของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดและกายสังขารก็เคยเกิดอนุกายสังขารของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดจิตตสังขารของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้พร้อมเพลียงด้วยปัจฉิมจิตในกามาวจรภูมิกายสังขารของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดแต่จิตตสังขารไม่ใช่จกเกิด บุคคลผู้เข้าปฐมฌานทุทน ต, ติยฌานตติยฌานและบุคคลนอกนี้ผู้อุบัติอยู่ในกายมวจรภูมิกายสังขารของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดและจิตตสังขารก็จะเกิดปฏิจิตตสังขารของบุคคลใดในภูมิใดจะเกิดกายสังขารของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้เข้าจตุตฌานและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในรูปราวจารภูมิ อรูปาวจรภูมิจิตตสังขารของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดแต่กา ย, ยสังขารไม่เคยเกิดบุคคลผู้เข้าปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานและบุคคลผู้อุปาติอยู่ในกามาวจรภูมิจิตตสังขารของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดและกา ย, ยสังขารก็เคยเกิดเจบสอนุวจีสังขารของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิด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 วจีสังขารของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิในภูมิที่มีทั้งวิตกและวิจารจิตตสังขารของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดแต่วจีสังขารไม่เคยเกิดในภูมิที่มีทั้งวิตกตขขและวิจารณ์จิตตสังขารของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดและวจีสังขารก็เคยเกิดปัจเจเนกาบุคคล74อนุการยสังขารของบุคคลใดไม่เคยเกิด วจีสังขารของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จกเกิดมีไหมวิไม่มีปติวจีสังขารของบุคคลใดไม่ใช่จกเกิดกายะสังขารของบุคคลนั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิเคยเกิดอนุกายสังขารของบุคคลใดไม่เคยเกิดจิตตสังขารของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จกเกิดมีไหมวิไม่มีปติจิตตสังขารของบุคคลใดไม่ใช่จกเกิด กายสังขารของบุคคลนั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิเคยเกิดเจอนุวัจจีสังขารของบุคคลใดไม่เคยเกิดจิตสังขารของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักเกิดมีไหมวิไม่มีปฏิจิตสังขารของบุคคลใดไม่ใช่จักเกิดวัจีสังขารของบุคคลนั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิเคยเกิดปัจเจเนกาโอกาตเจดสิบห อนุกายยสังขารในภูมิใดไม่เคยเกิดปัจเนีกรบุคโลกาตเจ็ดสิบเจ็ดอนุกายยสังขารของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดวจีสังขารของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้อุบัติอยู่ในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิกายยสังขารของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดแต่วจีสังขารไม่ใช่จักไม่เกิด ในพังค้ขณะแห่งปัจฉิมจิตที่มีทั้งวิตกและวิจารณ์ในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิบุคคลผู้พร้อมเพลียงด้วยปัจฉิมจิตที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณปัจฉิมจิตที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณจะเกิดในลำดับแห่งจิตใจในลำดับแห่จงจิตนั้นบุคคลผู้เข้าเจตุตจารและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญสัตตภูมิกายจสังขารของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิด แล้ววจีสังขารก็ไม่ใช่จกเกิดปฏิวจีสังขารของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จกเกิดตายิสังขารของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้พร้อมเพลียงด้วยปัจฉิมจิตในกามาวจรภูมิบุคคลผู้เข้าทุติยชาญและตติยชาญวจีสังขารของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จกเกิดและตายิสังขารไม่ใช่ไม่เคยเกิดในพังข้าณะแห่งปัจฉิมจิต มีทั้งวิตกและวิจารณในรูปาวจรภูมิอรูปาวจรภูมิบุคคลผู้พร้อมเพลงด้วยปัจฉิมจิตที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณ์ปัจฉิมจิตที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณจะเกิดในลำดับแห่งจิตใดในลำดับแห่งจิตนั้นบุคคลผู้เข้าจตุจัารและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญาสัตตภูมิว จ, จีสังขารของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดและกายสังขารก็ไม่เคยเกิดอนุ กายสังขารของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดจิตสังขารของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้เข้าเจตุทชาญและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิกายสังขารของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดแต่จิตสังขารไม่ใช่จักไม่เกิดบุคคลผู้พร้อมเพลยงด้วยปัจฉิมจิตในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิ และบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญาสัตตภูมิกายสังขารของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดและจิตตสังขารก็ไม่ใช่จักเกิดปฏิจิตตสังขารของบุคคลใดในภูมิไดไม่ใช่จักเกิดกายสังขารของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้พร้อมเพลยงด้วยปัจฉิมจิตในกลางมวจรภูมิจิตตสังขารของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักเกิด แตกายสังขารนี้เช่ไม่เคยเกิดบุคคลผู้พร้อมเพลียงด้วยปฏติมจิตในรูปราวจรภูมิและอรูปราวจรภูมิและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญสัตตภูมิจิตสังขารของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักเกิดและกายสังขารก็ไม่เคยเกิดเจสบแปอนุวัีสังขารของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดจิตสังขารของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักเกิดใช่ไหมวิ ในภูมิที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณ์วัจีสังขารของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดแต่จิตตสังขารไม่ใช่จักไม่เกิดบุคคลผู้พร้อมเพยงด้วยปัจฉิมจิตในภูมิที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณ์และบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญาสัตตภูมิวจีสังขารของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดและจิตตสังขารก็ไม่ใช่จักเกิดปาฏิจิตตสังขารของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จักเกิด วจีสังขารของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้พร้อมเพลียงด้วยปัจฉิมจิตในภูมิที่มีทั้งวิตกและวิจารณจิตแตสังขารของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดแต่วจีสังขารไม่ใช่ไม่เคยเกิดบุคคลผู้พร้อมเพลียงด้วยปัจฉิมจิตในภูมิที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณ์และบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสศันยสัตตภูมิจิตตสังขารของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิด และวัตีสังขารก็ไม่เคยเกิดอุปาทวาระจบ